เสขาปฏิปทาสนทยาธรรมิกถาวันที่11มกราคมพศ2547เรื่องการศึกษาเสขาธรรมตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเมื่อเรามันมีโอกาสอย่างนี้เราจะต้องใช้เวลาเป็นประโยชน์มากๆถ้ามีใครคิด ทำน้ำส้มมานามาแก้วนึงเล็กๆจะเป็นเรื่องดีจะได้ประโยชน์มากได้บุญดีกว่ายาทุกชนิดคนป่วยมันต้องใช้ยาย า, ยานหน่อยเมื่อเช้าเราได้พูดกันมาแบบตรวจสอบการศึกษาแบบดั้งเดิม เราจะต้องสลับกันไปแล้วก็ต้องมิกต่อบูรณาการเพราะว่างานนี้เราเราต่ อ, อยอกันย้ำกันให้รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการศึกษาสองระบบแบบไปศิกขาแบบดั้งเดิมและแบบจัดตั้ง <c oughs> มาพร้อมกันจะให้มันได้ประโยชน์ทั้งสอง โดยมันต้องให้มันโบทบังกัน <c oughs> เสียนหายอีกล่วเดี๋ยวข อ, อกินเอานึ่องว่าจะซ่อมให้ดีบางทีก็กรอบพี่ประเป็กไปเลย่ามันไปใช้มันไป <c oughs> <c oughs> วิชาจรณะสัมนโนโสเศธโทธเทปมนุษษาพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะ เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่คือระบบการศึกษาในทางพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยจารณะและจะเกิดวิชาแต่การศึกษาแบบจัดตั้งของเรามันจะเริ่มต้นโดวยวิชาจารณะจึงจะค่อยๆยขยับขยายขึ้นมาหรือดีไม่ดีลืมไปเลย มุ่งแต่ภาพวิชาการอย่างเดียวมันก็เลยเป็นการศึกษาดังที่พูดเมาาื่อเช้าเพื่อจะเพิ่มผลผลิตแต่มันสร้างให้คนเป็นบัณฑิตที่ถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองแต่มามาวันนี้มาภาคนี้เราจะให้ได้ทั้งสองจะเพิ่มเพิ่มผลผลิตก็เพิ่มจะสร้างบัณฑิตก็ควรจะสร้าง มันได้เป็นปฏิด้วยมันต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดไม่ใช่แบบแบบศึกษาแบบจัดตั้งของเราหนึ่งปีแล้วสอบแต่ของเราแบบดั้งเดิมแบบตลายสกขาระบบพัฒนาชีวิตให้ไปสู่ความเป็นอารยาชนจะต้องสอบอยู่ทุกขณะ จะต้องมีสำนึกแห่งการศึกษาอยู่ทุกขณะที่เรอว่าสิคิดตะพังหลังอย่างนั้นจะต้องตรวจต้องสอบไตรสิขาสิขาสามต้องตรวจสอบด้วยภาวนาสี่ดังที่เรากล่าวมาแล้ววันนี้เราก็ได้สอบกันสอบได้หรือสอบตกถ้าบ่ายมาเราก็มาศึกษาต่อ ในเรื่องแห่งชั่วโมงแห่งการเพ่งชาญที่เราพูดกันซึ่งมันก็แปลว่าเพ่งตัวนี้ต้องมาย้อนมาทำความเข้าใจปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้อันหนึง่งที่เราอยังไม่เข้าใจสิ่งที่เราเรียกว่าเซคะปฏิปทามันเป็นคำหนึ่งเป็นใบพจน์ของคาว่าจารณะสิบห้า ในจรณะนั้นแกงกลางของมันอยู่ตรงที่ฌานถ้าฌานไม่สมบูรณ์ก็จะไม่เกิดวิชากนติฌานังอปัญญสสะนัติปัญญาอชานนชาญโนยมิฌานัสสะปัญญสสะสเสวิพานาสันติเจถ้าไม่มีฌาน ก็ไม่เกิดวิชาไม่เกิดปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้จักก็ไม่จะวิธีกระทำฌานคือไม่รู้จักวิธีเพ่งถ้ามีทั้งฌานทั้งการเพ่งและปัญญาเกิดขึ้นก็ใกล้ฝั่งนิพพานนิพพานนี่เป็นเ ป, นเป้าหมายของการศึกษา แบบดั้งเดิมแบบไตยสีกขาแบบพัฒนาคนประสุขของเป็นอาระยะชนเราอย่าลืมเป้าหมายนะเป้าหมายการศึกษาของเราที่เราสอบตรวจสอบอยู่ตลอด Explanation and balance and check and balance in training ตรวจสอบทวนรุนอยู่ตลอดเพื่อจะได้เห็นว่ามันจะไปใกล้ฝั่งไหม เป้าหมายของการศึกษาแบบดั้งเดิมกับเป้าหมายของการศึกษาแบบจะตั้งสมัยใหม่จะผิดกันแล้วนีนก็จะบทบางกันแบบใหม่จะบทบางแบบเก่าอย่างที่เราได้พูดกันมายัตถสิกขาหทุกนุเคยติยานิโลเกทิฆาทิตานี้ นาเตสุปสุตโตสิยานิพิเชสัพสกามิสิเคนุภาณมัตโนนุนเอมาอยู่ที่สิเคนิภาณมัตโนผู้คนส่วนมากเมื่อพูดถึงการศึกษาก็ปรารบเฉพาะกรรมมาคุณทั้งห้าอันไปนอาจจะเป็นเครื่องผูกพันเราไว้ในโลกนี้มีใครจุดทูบบ้างไหมหมดไหม หมดเถอะดับเถอเพียนไปติดกินนั่นก็เมาแล้วผม ม, มันไม่ไม่ ก, กันกับทูกเลยแพ้เลยไม่ต้องบูชาดอกครับทูกเพียนเป็นของเล่นของสะกะปรกของจริงคือการปฏิบัตินี่มันต้องเสียเงินซื้อสักบาท่อกทูกวันหนึ่งประเทศไทยเนี่หมดงเงินไปล้านซื้อถูกมาจุดแต่ไม่มีใครจะ ศึกษาจะปฏิบัติตามคามสองพระเจ้าเอาไปสัมันแพ้มันแพ้ผู้คนจานวนมากป่ารบถึงการศึกษาเพียงเพื่อให้ดังมาซึ่งกามคนทั้งห้าอันเป็นเครื่องผูกพันเขาไว้ในโลกนี่ว่าตามหลังท่านนะ บุคคลหมายถึงใครก็ได้มาถึงเมื่อไม่ได้หมายถึงคนจำนวนมากพึงปารถการศึกษาเพื่อให้รู้จักกามทั้งปวงและศึกษาเพื่อดับหลงซึ่งตัวตนคือพระนิพพานเถิดนิพิเชสะพะโสกามีสิเคนิพานมัตตโน องทำความเข้าใจกับกรรมให้แจ่มแจ้งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องศึกไปทดลองเพื่อจะรู้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องศึกษาให้ละเอียดความไ่้ยาของอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีคุณมันมีโทษมันมีอาสาทะมีสตีและมันมีอาธินวะมีสนียดอย่างไร คือโทษในนั้นแต่มันมีนิสรนะณะมีทางออกจากมันจากโทษของมันในกามนี้เช่นเดียวกับการเกิดมีการตายอยู่ตรงนั้นในขณะเดียวกันเมื่อเกิดมาแล้วก่อนที่จะตายเ อ, อจะมีมีเวลาที่จะต้องตัททะรู้ด้วยเั้าเวรบาริสาขาบูชา ที่รจัาเกิดมาจริงต้องมีวันเกิดแล้วก็มีวันตายวันตรัสรู้ถ้าก่อนแล้วมีวันปริสิทธิภานมันมีช่วงก็มันจกต้องเอาประโยชน์ให้ได้ในกามนั้นมีคุณอัาทะรสเยือ่อล่ออันอร็ดอร่อยให้คนทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายสยบหมกมุ่นดินรนยืย่นแสวงหา ยังเชิงต่อสู้เข้นฆ่าเบียเบียงกันเพราะกรรมมันมีสดงแตจะว่าไปแล้งานสืบพันเป็นงานที่หนักหน่วงมากแต่คนก็เก่งทำไปได้เพราะมันมีอสาธะมีรสมีเยื่อรออันเอร็ดอร่อยแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอาธินวะโทษ อันต่ําสามแซบเผ็ดทาลุหยาบขายอยานั้นมันไม่ใช่ของจริงมันมีแต่ความทุกข์ความร้อนแรงมันต้องไปฝากไว้กับสิ่งอื่นบุคคลอื่นอารมณ์ภายนอกวัตถุภายนอกมันมีความสุขอยู่ภายนอกไม่ใช่ความสุขภายในมันจึงพร้อมที่จะพบกับความผิดหังแปรปวนไปเพราะเราไม่เที่ยงแท้ มันอยู่กับคนอื่นอยู่กับบุคคลภายนอกความสุขประเภทนี้ต้องอาศัยการปลุกเรา้าเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆให้กระ ต, ตุ้นเตือนให้มันเข้มข้นขึ้นมาเอาตัญหาปรุงแต่งให้เวทนาเวทนาก็แต่งให้ตัญหาอีกทีหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยมาคงที่คงทนหัวเดียมีเดียยังต้องทิ้งกันต้องฆ่ากันนั่นคือโทษของมันมันมีมาก เพาวิีกาท่านพูดเจ็บสอดแสบมากแต่เมื่อขอพูดถึงรายละเอียดบางคำจริงไม่กล้าจะแปลเลยบางทีท่านบอกว่ามันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าจะพูดในที่ชมุชมชนใว่าะกุกุโรอมุงกุกุประมาอธิกักรกรออัติกักโรโกรอ อาบุงกุครูปมาเหมือนใช้คำสภาพนั้นเหมือนสุนัขแทะกระดูกแทะกระดูกอุปมาเหมือนสุนัขแทะกระดูกอร่อยไหมก็อร่อยไม่อร่อยไม่ได้ถ้ามันไม่อร่อยมันไม่แทะอร่อยจนเพีะจนเพีะ่ะ นอนหงาย น, นอนคว่ำแพ่อยู่ตรงนั้นแหละคือน้ำลายอยู่ตรงนั้นแหละก็ น, น้ำลายมาด้วยแหละไม่ได้ น, น้ำลายอะไรมากกว่านี้นะครับนั่นคือโทษของกรรมท่านบอกมันมีเยื่ออยู่มีอสาธรรมอยู่แล้วมีอานที่ไหนวะอันที่ท่านก็บอกว่าตินนุ ก, กูประมาเปรียบเหมือนเอาท่อนหญ้าจุดไฟถือทั่ลม ร้อนก็ร้อนจะ่ไม่หัอยอยู่ด้วยเพราะมันทวนลมลมก็พัดมาถ้าจะทิง้งก็ยังเสียดายเพราะมันสองทางได้ในความืดก็ต้องทนเจ็บทนปวดทนร้อนเพื่อเอาแสงสว่างจาก่ม า, าถ้าจะทิง้งก็เสียดายความืดจะเกิดขึ้นก็ต้องทุื่อต่อไปเพื่อไปในไปทั่วของกลามบางทีท่านก็เคยเปรียบว่าเหมือนหนี้เหมือนไปยืมหนี้มาซิ่งที่เราได้มาช้ำใจในรถของกลามเหล่านะั้น อีนะ ก, กูประมาณเมือนนี่ที่ไปกู้ไปเยอมมาจะต้องใช้ของเขาเขินเจ้าของเขามีงคือไม่เป็นของเราที่แท้จริงท่านจึกส า, ารายละเอียดเรื่องเกา่าคือมันต้องไปลองมันดอกแต่คิดให้เข้าใจด้วยสติปัญญาถ้าปัญญายังไม่แจ่มแจ้งก็ต้องมาพัฒนาปัญญาโดยอาศัยกำลังของสมาธิ แต่มนที่จะเกิดขึ้นก็ด้วยการเจริญฌานเราก็เลยต้องมาพูดกันเรื่องฌานซึ่งในแต่ละสิบห้ารือเซตของปฏิปทานี้มันมีจนวนคาว่าฌานทั้งสี่อยู่ในนี้ปฏิโมทสังอรสิห์นึ่งอภันนกะปฏิปทาสามเป็นสี่แล้วพระธรรมเจ็ดเป็นสิบเอ็ดฌานทั้งสี่เป็นสิบห้า เรียกว่าจารณะส5บห้าหรือเสขปฏิปทาอยู่ตรงนี้ถ้าเราดูแล้ดีๆแล้วเราจะเห็นได้ป่าเรื่องการเจริญสมาธิการเจริญฌานจะเป็นตัวแปรบุรณาการทั้งหมดในจารณะสิบห้านี้ถ้าตัวนี้สมบูรณ์พร้อมมองขึ้นมาซีละนนั้นจะตามมาแล้ววิ ช, ชาทั้งสามจะเกิด เราก็เลยบางพูดถึงตัวนี้ว่าชานนี่มันมีอยู่สองชาในหมายถึงประเภทของมันนะไม่ได้หมายถึงระดับถ้าระดับมันมีสี่จากสี่แล้วหรืออย่างนึ่งเขบอกมีมีอยู่สองประเภทแต่มีอยู่สี่ระดับสล้เอกไปเอกมีทั้งแปดอย่างที่เรียกว่าสมาบัตแปดแต่ในนี้ถ้ามุ่งไปที่สี่ระดับสี่ของรูปชาของรูปชาน แต่เมื่อเรามาดูประเภทของมันมันมีอยู่สองประเภทต้องเข้าใจก่อนว่าฌานนั้นมันไปว่าเพ่งอย่างเดียวยังไม่ได้เข้าดอกเอย่าเราตื่นมานั่งเรามานั่งเตือนบ่ายสามโมงจนถึงสี่ห้าโมงตอนนี้เรามาเจริญฌานยังไม่ได้เข้านะไม่ไว้แต่ใครจะทําให้เกิดอารมณ์เดียวไปสู่อัปนันสมาธิแล้วมันก็จะเข้าไปานฌานชานนั่งสมาปัจติ เข้าไปในฉานนั้นจากผู้เพ่งและสิ่งที่ถูกเพ่งจะกลายเป็นอันเดียวกันเป็นเอกาที่ภาวะที่กระตุปัุบันภาวะอันเอีอวันเดียวอันนี้ถ้าเรียกว่าอารามณ์ปนิชฌานเพ่งอารมณ์อันมีอยู่มากมากหลากหลายในโลกนี้ที่อายะตะนะได้สัมผัสทั้งภายนอกภายในถ้ามันกลายเป็นอันเดียว อันนี้ทันจริงหือว่าอาดมนุปนิชฌานเป็นฝักฝ่ายแห่งสมถะคือสมาธิแท้ๆเลยแต่ยังมีอีกประเภทหนึ่งหมอะกับคนีบางๆบางจ่พวกไม่ใช่เหมาะกับทั่วๆไปแต่สุดท้ายมันจะมีเป้าหมายเดียวกันได้ผลเดียวกันอีกอันที่สองรักขนนันโงบปนิชฌานเพ่งดูลักษณะ ขันธาตุอาจตนะนิบอนทั้งหลายในนี้เราจะเน้นไปที่ขันโดยเฉพาะจะยิ่งเน้นไปที่จิตทั้งคันจะเห็นง่ายมันเกิดลักษณะอะไรในจีในใจของเราตัวนี้จะเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาชําแรกกิเลสวัาสู่ความสิ้นทุกไม่มีคาว่าชํามแรกนะนิพเพีิกายจะสมาทุกขาขยะคามนิยา ช้ำแรกกิเลสเปสู่ความสิ้นทุกโดยชอบได้ตัวนี้อยากจะฝากนักศึกษาให้มากเห็นมาไม่มีเวลาพอเมื่อกลับไปแล้วหรือาติโจมพอดีหรือใครก็ได้กลับไปแล้วไม่ใช่จะมีโอกาสมีเวลามานั่งสมาธิได้มากๆยิ่งไปนั่งคอนเดียวยิ่งนั่งไม่ได้โวยถ้ามานั่งอย่างนี้ก็เพื่อน ม, ม, มากๆก็เลยได้ประโยชน์ อันนี้หละอีกอันหนึ่งจะต้องฝากกันให้รู้สักก่อนว่าทำไมเราจรึงต้องมานั่งพร้อมกันมากๆไม่ทำย่างนี้ได้ไหมที่แล้วครั้งแล้วก็ไปนั่งใครนั่งมนันตามตามต้นไม้เลือกออกได้แต่มันได้ผล น, น้อยมันช้าพระอริยท่านบอกว่าพี่สุทังหลาย เรายังมองไม่เห็นทำอื่นใดที่เป็นองค์ประกอบภายนอกสักข้อเดียวที่ที่จะดียิ่งกว่าความเป็นผู้มีกาญจนาภิตรที่จะยังอริยมรรคี้ที่ยังไม่เกิดจะให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้ น, นหลาจเจริญมากขึ้นเรามองไม่เห็นไรการที่เธอมีกาญยานาภิตรการยา น, นาสหาย กราร a j a n ิตราตากราร a j a n a หิตตากราปปร ajanasa วังกตามีมิตรดีมีสหายดีมีหมูด่ดีมีคณะนิดีมีบุคคลแวดล้อมเด็พร้อมพร้อมพังกันเด็นั้นแหละเรากล่าวเป็นรุ่งอรุณแห่งอริยมรรตเป็นตัวพมจันทร์ทั้งหมดเมา่อถึงคว่าพมจันทร์ด้วยเมื่อวานวันแรกเราก็พูดกันอย่างหนักเรื่องพรหมจันทร์ ผ c o m m i s s ท, ทั้งภายในอกทั้งภายในทั้งพ c o m m i s s ของชาวบ้านและพระ m m i s s ของของนักปวดมาบูรณาการในงานนี้ให้มันสมบูรณ์แบบตรงนี้ท่านบอกว่าการเปร็นผู้มีกาญจนาภิษฐา น, นเป็นตัวผ c o m m i s s i ทั้งหมดพระอานนท์ท้าเรือท้ามาม า, มาบอกพระเจ้าวันหนึ่งไปนั่งคุยกับพระสารีบุตรฟังฟังเพลินเพล น, พ, ลนพระสารีบุตร ท่านชี้แจงแถลงขายละเอียดแล้วออกเพราะท่านมีปัญญามากเอานองก็ฟังเพลินลืมลือ ม, มาอุปัถาผู้ธิจาคจนตะวันจะพบคําก็มาคงจะทำนองจะแก้ตัวมาปฏิบัติมาอุปถาและก็บอกกล่าวผู้ธิจาคมบอกฮันเตระควาข้าพาุท่าแต่พระผู้มีพระกล่าวผู้เจริญการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนี่เป็นผมจําไปทั้งขึ้นเลยนะพม่ยากประว่า อนุนแต่กล่าวไปใหญ่เป็นพรหมจักรไปทั้งครึง่งการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรกัลยาณณสัมหาริการเป็ผู้มีบุคคลแพย์ล้อมดีเรากล่าวว่าเป็นตัวพรมจักรทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ครึ่งเดียวนะพรหมะประเสริฐดีเลิศดีงามจริยะเรียกว่าพรมจักรความเป็นไปอันประเสริฐอันดีเลิศงดงามแหชีวิตคือตัวศาสนาสมัยก่อน ทารีว่าเป็นพมจันท์พระสงฆ์ชุดแรกที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้หกสิบรูปเรียกว่ า, ว ร, า, ร, ร, า, ร, วารุ่นไพลโอเนียรุ่นบกเอิกทาิบส่งกันไปเผยแพร่พรมจันท์ไม่ได้บอกว่าซาตนาเลยพมจันทร์ยังประกาศเสธะเจริญธพิเกเวเจริกังพิสุทธิางหลายจงเที่ยวเาจาริญไปเพื่อประโยชน์สุขแกม่มวลชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเกเทวดาและมนุษย์ทางหลายจงไปประกาศพมจันท์นี้ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพรนักอัตถะพระนักเป็ น, าา น, นปชนะฟังดูแล้วไม่มีคำว่าศาสนาเลยนี่ชุดแรกจนมาถึงชุดใหญ่ชุดที่มารวมกันที่ป่าไผ่พันสรยห้าสิลูกวันมาค่ะชุดนี้จะได้ยิคนคำว่าเอตังพุทธานาสาตนะให้อวาทปาริโม ที่วันนี้แหละไปคําสั่งสองสองในฐานเพษษษษื่อศาสนาศาสนาเกิดมาต่อลังควาว่าภรหมจักรในนี้บอกว่าการมีมีกา ร, รยาณมิตรกา ร, รยานะสหายมีบุคคลแวดล้อมที่ดีงามเป็นตัวภรหมจักรทั้งหมดเป็นคุณคุณงามความดีทั้งหมดในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่จึงต้องมาทําพร้อมกันเป็นหมู่ไปคณะเป็นระบบระเบียบ เทอที่คิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ก็ทำได้มันช่วยกันนะมันกับต้นไม้ที่มันอยู่ด้วยกันเราไปในป่าในดงเราจะเห็นต้นไม้ในดงทึบมันเขียวงามมม่มีใครใส่ปุ๋ยไม่มีใครรดน้มแต่มันงามได้มันงามเพราะอะไรมันอาศัยกันต้นใหญ่ๆเป็นร่มเงาให้ต้นเล็กๆต้นเล็กๆปกคุมหุม้มหอ่อหน้าดินท็ออย ให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่พื้นดินข้างบนตน้นต้นใหญ่ให้ร่มเงาแก่ต้นน้อยใบมันร่วงลงมากลายเป็นปุ๋ยกิ่งที่มันหักลงมาก็เปื่อนไปนเป็นปุ๋ยช่วยกันต้นตอมาก็เลยงามยาวเลยเราไปในดงด ง, ดงทึบที่เรียกว่าป่าดิบดงดำใครไปใส่ปุ๋ยต้นไม้มันได้อาศัยกันอาตมาเคยพูดู่เป็นประจําภาษาลาว ไหม่ในไงดอยเดียระดาดป่อยเป็นถำ้ำร่วงกับเป็นดงสูงมูขยุ่งง่างเสืยอเพื่อเขาเกี่ยวเร้ยลงทา้งลุงมีทั้งฟุตุ่มภูมหน่อยทั้งพื้นแต่ซุ่มเย็นสุ่มภูมหน่อยยุ่งยังง่างย่างไหม่ไบหนาะก็เป็นหม่มให้จะบซุ่ ม, มูหน่อยทา้งพื้นแต่ซุมเย็นซุ่มภูมหน่อยก็คือดังเดินเดียวกันได้ปกได้ร่วมกันปวกคุม้มให้สุมเย็นทั้งห้อ ถ้างเงาฮะลูกโขถาหันโตตไนไงมีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนเท่า น, านั่งก็คือดังเดียวกันทาน เ, เอยไม่จะเว้าต่อไปไม่ว่าเนี่ยปากห่างอางอกยากเนี่ยให้เราเห็นด้วยว่าการ ม, มามาอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เพระือนดังเดีวกัมันช่วยกันนะอยู่ที่บ้านนั่งมันนั่งสมาธิไม่ได้ตอนนึ่งสองชั่วโมงพระก็เหมือนกันเนยก็เหมือนกันอยู่ที่บ้านคนเดียวทำไม่ได้เดือรอนนั่งอีนอน ก, ก็ สมควรเก็บเวลาแล้วมือมือมือควาาสมอนก็ น, นอนแอ๊เข้าเดียวมาที่นี่มาได้ยังไงไม่ได้คิดว่าจะทำได้คนมาอาศัยหมู่อาศัยคณะต้องเข้าใจคือนี่คือระบบการศึกษานะพระพุทธเจาบอกพิสูจทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วนายโคบานชาติที่เป็นคนโง่โลละชาตาชาติคนโง่เสอะโลเล ชืบื้อไม่ฉลาดไม่ดูทางขึ้นไม่ดูทางหลงในแม่น้ําคงคาในฤดูสารตะน้ําเปี่ยมฟันดูะทางลงแล้วก็รกไม่ดูทางขึ้นป้องโคลงไปเมื่อน้ําเปี่ยมปันเมื่อโคลงไปหัวหน้าโคลงไปก่อนโคหัวหน้าฝูงต่อมาก็โคลพอใช้งานโคลงโคสาวโคแก่โคเท่าโคลงเด็กโคเกิดไม่ ก็ลอยลอยแบงปลายแหวว่าไปตามกันเมื่อไปถึงท่ามกลางกระแสน้าแล้วไปถึงฝา่งทางน้นหาที่ขึ้นไม่ได้ก็ลอยบนไปบนมาถูกกระแสน้ากคงขาตี้จมตายลงไปพินาศทั้งฝูงแต่นายโคบานผู้ฉลาดมองดูท่าขึ้นท่าลงเรียบร้อยแล้วชัดเจนคือมีเป้าหมายแล้ว ก็ต้อนฝูงโคลงไปเมื่อโคหัวหน้าฝฟงลงไปแล้วโคเท่าโคแก่โคหนุ่มโคสาวโคใช้งานโคแม่ลูกอ่อนโคตัวเล็กๆก็ไาวตามลงไปแต่อายแอบอิงอาศัยกันโคตัวเล็กๆก็เอาค้างพาดเกยแต่พกโคตัวเท่าโคตัวใหญ่เพื่อ อาศัยแบกว่าไปในกระแสน้าไปถึงฝั่งก็ขึ้นสู่ฝั่งโดยปลอดภัยทั้งผงชั้นใดในทางวินัยนี้ก็เหมือนกันอาศัยกระยาณามีทุกหัวหน้าผู้ชํานาญผู้ฉลาดแนะแนวชี้แนะข้อวัดปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วพากันไปพื้นปฏิบัติคือดูพวกเราก็เหมือนฝุงโค้นะหลวงพ่อหลวงตาพานุ่มเด็นน้อยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ไปด้วยกันก็สองชั่วโมงกับสองชั่วโมงได้ด้วยกัน เอาข้างเกยกระโผกไปสิสแล้วขึ้นวัวหน่อยหนเนาะก็ได้ตัวนั่งอยู่ที่บ้านไม่น่าจะนั่งได้ที่เราทำในขณะ น, นี้มันเป็นเรื่องราวแบบย้อนจุกนะหลังจากพุทธปรินิพานไปสองร้อยสามสิบห้าปีจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง มันเือ น, นที่เราทำอยู่ในขนาดนี้เมื่อเช้าเราตื่นมาตีสองตีสองกว่ากว่าเรานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้จำ ไ, ได้ไหมมหาการเมรโคผลไม่ในสมาธิไม่ใช่การตกลงมาเมื่อเช้ามันมันไปนเดินยี่นะวันนี้สองสามขั้นนึงคนบราณบอกวะ่า เดือนสี่ฝนบ่ห้ามเดือนสามฝนบน่เป็นเป็นไปได้ี่ก็เียงคือเดือนสาวและเดือนสี่จะต้องมีฝนตกลงมารถดอกไม้บางชนิดเพื่อจะได้เกิดความเบิกบานเป็นรูปเป็นมาแต่เดือนอ้ายและเดือนยี่เ น, นี่ยฝนไม่ตกแต่สมัยโบราณแต่เมื่อเช้าเนมันตกแต่มันไม่มีมีลมมีฟองมันตกมาใหม่ตกปอกแป๊กอกแปกมาเขาก็เลยมัย่นใจว่าอันนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดา เพราะมันเป็นเดียนยี่้คงไม่ตกแรงหรอกถ้าต ก, ตกแรงก็เป็นฝนผิดปกติฝนพยามาณฝนนักเลง น, นี่ต้องเป็นฝนเทวดาเห็นพวกเรามานั่งสมาธิกับเป็นมูอยูมม่จํานวนมากเกิดปีตีปาโมนมาพบมาเห็นกั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่น้าําตาแห่งความดีใหญ่ก็เลยหยดลงมาเป็นน้ำฝนพระเจ้าอาโศกมหาราช นับถือพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเปลี่ยนแปลงจิตใจจากศาสนาเก่าดั้งเดิมแต่ก่อนพระเจ้าอาโศกผู้เป็นนักรคที่เก่งกาจนักการศาสนาที่เข้มขัดฆ่าคนมาเป็นสแสนในสมรภูมิเกิดสลดใจตอหลังมาได้ฟังธรรมจากสามเณรน้อ ย, อยได้เปลี่ยนแปลงจิตใจจากความโหดร้ายจากศาสนาเก่ามาถือศาสนาพุทธ ก็เกิดการสนับสนุนพุทธศาสนาใหญ่จะให้าศาสนาหนึ่นจเจริญรุ่งเรือง ม, มากขึ้นโดยมีความคิดว่าเราลบเราฆ่ามาซึ่งกประเทศยึดมาเป็นประเทศเดียวแล้วเราจะปกครองเขาไม่ใช่เรื่องง่ายการชนะอย่างนั้นเรียกว่าสังคามมิวิชัยชนะด้วยสงครามใช้ชนะในสงครามด้วยคมหอกคลงดาบด้วยกําลังบีบคันบารคับมา แต่ที่การที่เราจะปกครองเขาอย่างอย่างนี้คงจะใช่ไม่ได้วันดีคืนดีเขาอาจจะรวมตัวกันเกิดปฏิวัติขาดขืนต่อสู้เป็นกบฏก็ได้กำลังลของเราก็ไม่ใช่เจ็บอยู่กับพี่บางคนจะต้องเอ่ยหลอสุโทมไปควรจะต้องชนะด้วยธรรมเรียกว่าธรรมมัธวิชัยเอาธรรมนี่มันไปนชัยชนะปกครองใจบุคคลเหล่านั้นเราชนะเขาได้เพียงกาย แต่เราไม่สามารถจะปกครองใจเขาได้เมือม่อเมริกาชนะอิรักเด่นี่แหละแล้วก็ปกครองอิรักไม่ได้เพราะจะไม่ชนะใจชาวอิรักเดี๋ยวก็ระเบิดพรีซี่บึบ้งตรวนั้นบึ้มตรงนี้อยู่นอนไม่หลับเลยแหละปวดหัวเลยเจบบ็ปวดใช่ไหมเพราะจะไม่ชนะด้วยธรรมไม่ชนะใจเขาพระเจ้าโศกเคสหนะเอต้องชนะด้วยธรรมไปให้คนทั้งหมดใน16ประเทศนี่เป็ น, เ ป, นเป็นศาสนาเดียวกัน ให้ร้อยดวงๆวงใจไปหนึ่งเดียวจากความหมายมากหลากหลายจะทำยังไงใที่สุดก็ได้เลือกพุทธศาสนาเขาะจะไม่ขอลงรายละเอียดเวลาไม่อพอเขาะจะขอนั่นท่านหลายไปสู่ใครแมงสลึกจุดที่เกว่ากาฬยาณมิตรมันช่วยได้ยังไงถ้าผู้เรื่องนี้ให้มันละเอียดมันยาวทั้งคืนไม่ได้นอนตับเหนื่อยถามพระมหาติศาทเทระทท่าน ก็เป็นพระอาหารหันต์ไนั้นเพราะว่าพระสากระดาปฤิ์นิพพานแล้วมีอะไรไปดูแทนที่ใกล้ชิดใกล้เคียงที่สุดพราองคเลยบอกว่ามีสิ่งที่เกิดพร้อมกันกับพระพุทธเจ้า ว, วันเดียวกันเรียกว่าสาชาตมีอยู่เจ็อันแต่สิ่งเหล่านั้นมันหมดไปแล้วเพราะพระพุทธเจ้ากับบริสทิพผานแล้วมันียังเหลืออยู่อันเดียวคือต้นโพธที่เกิดพร้อมกันยังไม่ตายทายจากใกล้ชิพระพุทธเจ้าก็บเราไปใกล้ชิดต้นโพ วันนั้นเราจึงได้ได้ไว่ายต้นโพอยู่ทุกวันนี้พุทธสาริษพุทธรูปังสาริาลีกถาตมหาโพธิ์ถิ่นพุทธลูปังเราไหว่อยู่ทุกวันไหวมาแต่พระเจ้าอาโศกพาไหวว่าต้นโพนี่แหละเป็นตัวแท น, พ, น, น, พ, นพระเจ้าเากิดวันเดียวพระเจ้าต้นโพพระเจ้าอโศก็ดีใจหลายที่ว่าเราได้ประกาบไปไหว้ต้นโพที่ท่านตัดทะลก็เหมือนอยู่ใกลอ้อ้อมอกของพระเจ้าต่อมาเมื่อเกิดเรื่องเกิดราวขึ้น อารติโลกนาสิกาความวิชาลิสยาทำให้เป็นเหตุให้โลกนี้ชิบหายเมียน้อยของพระเจ้าส่อกนางหนึ่งชื่ว่าไม่เห็นสุนทรีไม่พอใจอย่างยิ่งหึงหึงผัวเขานอนถาอยู่เขื่นนนอนเพราะว่าพระนา่นเราผมโผลไปดูต้นโพธตันไดนหรอไปดูนะรุ่นแรงมากแล้วนะนี่เรื่องกรรมเห็นไหมกรรมกรรมไม่ใช่ธรรมดานะ โกรธให้คึงแม้กับทั้งต้นไม้มันคู่ไม่เป็นคิดว่าพระสวามีไม่มาหาแต่ละคืนแต่วันไปนอนกับต้นโพธิ์านไปต้นโพธไปกราบไปว่ายวันที่ก็นอนทีละสองวันสามวันวันที่แค่เจ็ดวันสิบห้าวันนานนี้โกรธแค้นมากมึงกับต้นโพนี่มาแย่งสิ่งที่รักไปจ้างคนเอาน้ำร้อนน้ำน้ำยาพิษไปลวกต้นโผธิให้มันตายก็าตายอีนี้มาเลยตายจริงๆ เรือแต่ใบโกร๋ไปร่วงล้นหมดเรือแต่กินก้านโกลอนอยูต้มน้ำลวกต้นต้มน้ำร้อนไปลวกจ้างคนไปลวกกัางคืนตายนะตน้นไม้ดิบก็ะตายต้นเรือต้มไปตั้งหลายหาอยู่ไหวไหมต้นโพก็ตายพระเจ้าสอบมาเห็นก่อนโอ้ร้องผมร้องให้เกลือกิ้งตามพื้นแผ่นดินถ้าต้นโพนี้ไม่กลับฟื้นคืนชีพมาข้าพเจ้าขอตาย อยู่คนโพนี้ข้าพเจ้าจะไม่ลุกขึ้นสงไม่เสเวยไม่ดื่มไม่กินอะไรจนกว่าจะตาไปกับต้นโพกิ์ปรากว่าพระผู้คนรักพระเจ้าโศกมากกลัวพระเจ้าโศกจะตายหาบน้ําก็เป็นฟุง้งเป็นแถวทั้งวันทั้งคืนเจ็บวันเจ็บคืนหาน้ําปรดน้นโพธบางคนเอาน้นนฟฟนํานมไปบีบใส่ต้นโพธิ์ปรากฏว่าเจ็บวันต้นโพธก็ฟื้นขึ้นมามีสองเงาะ เกิดมาใหม่พระเจ้าอโศก็เลยโชคดีไม่ต้องตายแล้วก็ดีใจให้ทหารเฝ้าอยาวรักษาต้นโพมีแพทย์ประจําทุกวันไปหมอไประจต้นโพป่วยมั่นสบายให้มันดีทีนี้ก็เลยมาคิดว่าต้องมีสิ่งที่ดีกว่านี้ถ้าจะฝากชีวิตไ ว, ไว้กับต้นโพนี่มีโอกาสที่จะต้องตายมีอะไรหนอมเป็นตัวแทนเขงางพริเา้าที่ดีกว่าต้นโพกลับไปทำใหม่ นั่นก็เลยบอกมีอยู่คือพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอว่ายังมีอยู่หรอต่างสรอกว่าปีกระดูกกระเดี้ยวคนมันไม่หายไปหมดไม่เปือยไปหมดเลยพระมหิตสระถวายพระเ ข, ขาหอมบางยังอยู่มหาุ พ, พิตรยังอยู่แปดพระนครแบ่งกันไปสร้างสถูปเจดีย์ไว้ใหญ่โตมากตัวนั้นเราจะเป็นองค์แห่งพระศาสดาใกล้ชิดดีกว่าต้นโผธิ์ไม่ตายเป็น พัทลีลิกธาจะไม่ตายและจะไม่หมองไปจากโลกถ้าหมดก็คือหมดศาสนาคาตุวิทาลิกังอาสิงโคตมัติสามเฮสินโนสัพปานินาอนุขาหายะอคุพลในกัางสถาพระวลมสาทลีลิกธาเนีจะแพร่กระจายกระจายกระจาย ข, า, า, ข, า, ข, า, า, ข า, ายตัวไปทั่วทั้งโลกเพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดสถตภ า, ายหลังผู้มีสัตว พระสมาทัตพระเจ้าผู้แสวงหาคุณอัาเปรศและอธิษฐานไว้ใหญ่นี่งแล้วไม่มีหมดพระเจ้าอโศกเลยถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ในแปพระนครในเขตชมพรทวีวนี้ลไล่ไปตั้งแต่ราชคฤห์แก่จนสุดท้ายที่เมืองรามคำถ้าอย่างนั้นผมจะสร้างเจดีย์ใหม่สร้า ง, ง 8, 000, 000, 000, จริงๆแปดมือนสี่พันเจดีย์เพื่อบูชาพระธรรมของพระศารดา ไปถามว่ามันจะพอไหมภาษารีดิคาธาจะพอไหมถ้ามหาทศสาวบอกว่ามากกว่าแปดหมื่นสี่พันแปดล้านสี่คือก็ไม่หมดเพราะเม็ดเล็กเม็ด้อยก็มีแบบเล็กเข้าไม่เม็ดถักาดนี่ก็มีท่านสร้างเถอะถ้าท่านพอจะสร้างได้สร้างเสร็จจริงๆใช้ใช้ล่าสัพย์มากสร้างเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าผมจะไปหารกษ์เจดีย์เก่าเอามาให้หมดเอามาบรรจุให้มังครบ ก็ไปรือมาจนหมดไปรื้อที่ไหนก็ไม่ได้ต่อเจ็ดนครไม่ได้เพราะอะไรเทวดารักษาอยู่เทวดาที่เป็นสัมมาทิ่สิเทพจะคอยดูแลกลุ่มของพุทธศาสตร์สนามอยู่ไม่ให้ใครมาทำลายเขาเอานี้หมดแต่บังเอิญว่าเจดีย์ที่แปดหาไม่พบ ตามลายแทงตามบัญชีที่บอกนะฮะไม่พบเจดีย์ตัวองนี้เป็นของพวกมรฟืที่เมืองรามคามพราณ์เหล่านี้ไม่ใช่กรรษัตริย์แต่ได้รับพรมาถายได้รับแผ่นดินเป็นรามวันที่เก็บค่าคาภาษีอากรได้ดีซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารเลยมอบเป็นพรมาถ่ายเป็นแผ่นดินที่เป็นพรมาถาให้ให้พราณ์มหาพรมนในปกครอง แต่พอจะสร้างเจดีย์ภาคนี้ไม่รวยพอก็เหมือนพวกเราจะสร้างเจดีย์อยู่ในขณะ น, นี้จะอดีตมากรกรไปพูเขาภาคนี้บอกไม่มีอำนาจไม่มีราชสัทธ์มากก็เลยเจาะ ก, ก้อนหิงฝังพระบรมสารีาาริกธาตุใส่ก้นหินขุดหลมุมฝังลงใต้ดินเป็นเจดีย์ใต้พื้นดินอาเจนมากเขาคิดไปไกลต่อไปแผ่นดินไหวภูเขาไประเบิดให้มันระเบิดไปไหวไป เจดีย์ให่ๆงามซึ่งสงคนอื่นมันจะหักแต่ของเราไม่มีที่จะหักเราพังไว้ในดินก็จริงดังคาบเมื่อหาหาที่ไหนไม่ได้ไปหรือเจดีย์ใดก็ไม่มีไม่มีไม่มีมมพระสรีริกธาตุเทวดาเอาหนีหมดวันนี้ไปไหนไปโน่นไปไว้ที่เมืองจีใต้ดีหน่อยไปลงในงจตรงมั้นกะอุ่นหงอยอยู่บนยอดหมด้วยคาราสุดท้าย ต้องมากราบเปลี่ยนถามพระมหาเทศาเทระว่ามันมีอีกไหมมหาเทระก็ไม่มีถ้านก็เลยบอกว่ามีที่เมือรำำงรามคาถามน้องก็เลยบอกว่าไม่มีดอกคบหาจนเหนื่อยไม่มีเจดีไม่มีเมืองนะ่ะมีหลวงตาแก่องค์หนึ่งนั่งอยู่ในที่ประชมุมยกมือไหว้ขอขอข้อโอกาสในที่ประชมุมมีครับไม่ใช่ไม่มีเอา้าหลวงตารู้ได้อย่างไรผมเคยไปกราบไปไหว้ ตอนผมเป็นเนนผมเกิดที่เมืองรำคามแม่ผมตายพ่อผมเป็นพ่อผมเป็นพ่อแ ม, พอม่พ่อผมก็เลยบวชผมก็เลยบวชเป็นเนนกับพ่อก็เลยเป็นย่างคู่พหลวลแต่ละปีพ่อผมก็เคยไปาพาไปกลับไปไม่ผมจําได้มันอจมใต้พื้นดินไม่ได้ตั้งไว้บนบนบนบกบนดินพรายพระเจ้าแผดินเมืองนั้นท่านเป็นคนย่างจนไม่มีพระราชอำนาจมากไม่มีราชทักมากจําได้มันจําได้ ถา João, am am ้าจ um, ําได้พระเจ้าอโศกแต่งช้างมาให้ตัวหนึ่งให้นั่งก็เชิญไปเพื่อพูนำทางก็ไปไปพบจนได้ก็ไปขุดออกเรื่องมันพลึกเกิดแต่ไม่ขอเล่าลงวาระเยอะเพียงแต่ว่าขุดขึ้นมาได้แล้วก็มาบรรจุพระสารีริกธาตุแปดหมืนสี่พันพระธรรมข่ำแปดหมื่นสี่พันพระแปดหมื่นสี่พันเจดีย์บรรจุเสร็จทีนี้มันจะจะเริ่มเกิดบวชชีพรมขึ้นมาครั้งนั้นแหละ เราจะได้เห็นว่าฝนตกนั่งสมาธิหูเสียงดังตรงนี้เราจะไปถึงสู่จุดใครแมทริกของมันที่จะต้องมานั่งโดยกันเป็นเพื่อนมากๆพระเจ้าอาโศกยืนอยู่ที่บนพระบรมมหาราชวางังปรากฏว่ามองเห็นหมดเทวดาบรรดาให้มองเห็นหมดทั้งแปดหมือสี่พันเจดีย์ทั่วทั้งจบบุฬาธิวภรยสาร เกิดปีตีป่าปื้นมากโอ้โหบุญเราเนี่มากมากมาเราสร้างเจดีย์ได้ถึงแปดหมื่นสี่พันเจดีย์เราคงจะมีบุญมากแล้วเราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนเว้ยไปถามพระไปกราบถามพระมหาติสาเทระบอกพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญโยมทำบุญมากสร้างเจดีย์สร้างวิหารได้ถึงแปดหมื่นสี่พันเจดีย์มีใครเคยทำขนาดนี้ไหมเมื่อพระสารีบจะมีพระชนมายุจบ ถ้าก่อถวายพระ พ, พ่อป่าไม่เคยมีเลยในโลกนี้ไม่มีใครเคยทำได้มากทึงขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นโยมคงจะมีบุญมากนะบุญมากขนาดไหนได้รับบุญขนาดไหนให้บอกว่า อ, อับปางไม่ดังอปางสังขังคุณดังมหาราชบุญของท่านนับ ไ, ไ, นนไม่ได้คํานวณไม่ได้ประมาณไม่ได้เดานับเลยเหมือนมหาสมทุทมไม่สามารถจะนับได้ป่ามีน้ํากี่หา่าบุญของท่านก็อย่างนั้น อันนี้พระยาอาโศ ก, ก็เลยปลาโลปลาถ้าเป็นอย่างนั้นบุญเหล่านี้ถ้าผมมีมากมากถ้าน้าไม่ได้น้ำไมาท่วนขนาดนี้ผมอยากจะให้ทุกคนได้บุญกับผมโยมถือว่าโยมเกิดมาในโลกนี้ทุกคนในแว่นแคว้นในอาณาจากักรนี้ถือว่าเป็นลูกของโยมโยมปกครองเขาให้เขามีความสุขมาก ไม่เขาเบียดเบียนกันด้วยธรรมแต่ถ้าโยมตายไปถ้าโยมมีบุญมากโยมอยากยากจะให้ลูกของโยมทั้งหมดในแผ่นดินนี้ขึ้นสวรรค์กับโยมโยมด้วยโยมจะทำอย่างไรอ้าวท่านฉล า, าดนะเพราะอาหารหันต์จะมีคุณทำอันหนึ่งเป็นที่พึ่งแก่คนทุกคนในจนวนสิบอันืิบนาถกาลณะธรรมสิบในหนึ่งในสิ่งมีข้อหนึ่งว่ากิงกรณีเยสุทกาตาฉล า, าด ในกิจการงานน้อยใหญตามสูงจะจัดการอย่างไรประถามท่านแนะนำได้ท่านก็เลยบอกว่าไม่ยากถ้าอยากาจะให้ลูกของท่านในในขอเขตคัานานมนทนนี้ได้บุญขึ้นสวรรค์กับท่านเวลาท่านจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจะฉลองพระเจดีท่านจะประกาศเขาให้เขามานุ่งขาวห่มขาวไม่กนผมนั่นหละเจซีล่ะที่เราเรียกว่าบวชชีพาวนี่ละ่ะ โอทาตะวสานานา낭คิหิดังพัฟจิตังสิระสมาทาน낭ปุสสะพวาสังมหาราชมหาราชท่านจงประกาศไปว่าขอให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่ในเรือนจงออกมาจากบ้านจากเรือนมานุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมมารักษาสมาทานศีลมารักษาอุโบสถตลอดเวลาที่จะฉลองที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาานั้นเออได้ไป ผมคิดได้แล้วถ้าผมประกาศไปมันมามากนะแล้วจะเอาอะไรมาให้เขากินก็เมือม่อเมื่ออาตมาคิดว่าไม่กล้าประกาศที่จะวันเสภาจะเอาตะพัดมาญาติะนะยาโยมมาผมมีแมววันแนให้เกือันมีอะไรปันกินด้ย ม, มือพระเจ้าอโศ ก, ก็เลยหนักใจพระเจ้าอโศกขึ้นขนาดนั้นจะหนักใจนะโอ้พระผู้เป็นเจ้าโยมหนักใจข้อเดียวถ้าโยมประกาศหเขาจะมากันมาก ทั้งจจโง่ท่านพี่แล้วเขาจะเอาปากเอาท้องมาด้วยยอมจะเอาอไรให้เขากินถ้ามีกินก็ไม่รู้ใครจะทำให้เขากินไปอย่างน้าก็บอกว่าไม่อยากดอกเขาละนั้นมีบุตรมีลูกมีหลานเขาจะได้บุญด้วยกันทั้งนั้นทั้งลูกทั้งพอ่อทั้งแม่มานวามานวิกาวาธามภริกตาโหติมาตาปิตโรมหาราช ชายหนุ่มหญิงสามลูกหลานของเขามีให้เขาเอาเรี่ยวเอาแรงอย่างที่เขามาทําครัวเลี้ยงพวกเราเน่พาตาบริวารถามภริกตาเอาเรี่ยวแรงนี้เป็นเป็นฐานเป็นให้พรีพวกนั้นก็ได้บุญกับเรานั้นมีส่วนกับเรานะถ้า น, นั่งทำไมามาที่พอตูรุนี่ว่าได้บุญปัน้ค่จาเด้หกเป็นหนีเด้ซึ่งระเดาได้ น, นอนเห็นนี้อยู่ในกินเนี่ให้เขาเอาคนหนุ่มคนสาวเหล่านั้นที่เป็นลูกเป็นหลานเอาเรี่ยวเอาแรง มาช่วยตักน้ําตําข้าวผา่าปื้นหุงหาอาหารเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้บุญด้วยกันทั้งนั้นขึ้นตะวันด้วยกันบางคนเมียมาจำศีลมาหนุนขาหนุนขาผขาวัว ม, มาทำอาหารพัว ม, มาตักน้ําพวมาตําข้าวบางคนผัวมาเมียมาตักน้ํมมาตํำข้าวหุงหาอาหารกางมุงให้แจ่ได้บุญด้วยกัน เออเขาท้าอะไรกั น, นึกได้ก็เลยประกาศแต่ทีนี้พอประกาศมันมามากจริงจริงบางคนอย่างวันก่อนอาจจะมาเห็นแม่เห็นลูกชายมาการังงูให้แม่เห็นแล้วประทับใจมากถามว่าคนหนุ่มคนนี้เขาเขาจะมามาจํำสินหรือไม่ใช่มาการุ้งูให้แม่เอาแม่มาส่งแม่มานุ่งเขาวขาวลูกชายมาการุงงูให้ประทับใจมากเึื่อถึงข่าวของพระเจ้ า, อ, าโอโศกทำไมนั้น ทีนี้มีอันหนึ่งมีโจทย์อันหนึ่งคือการยานมิตรพระพุทธเจ้ญญาพระมหาธิษฐก็เลยบอกพระเจ้าสองมหาราชแม้พระองค์ก็จงมานั่งสมาธินะมาเป็นหัวหน้าของเขาให้มานั่งข้างหน้าเอาอะไรจะเกิดขึ้นที่ทางหลานลองคิดดูทามานั่งข้างหน้าถ้าประชาชนนั่งข้างหลังนี่คือความฉลาดของท่าน มันมีความจริงอันหนึ่งว่าพระเจ้าอสงกเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจเป็นเป็นผู้มีที่ประอํานาจบุญญาอํานาจอํานาจจากบุญอํานาจอปทิย์เพียงแต่มองจ้องดูใครก็ตามเขาอ่อนสุดขั้วเมื่อมีกระแสไฟฟ้าช็อตช้างดกสัตว์้ายช้างตกงานวิ่งมาเป็นพายุโบกแหงมพระเจ้าอสศก์เพ่งสายตาใส่มันจะหมาบเลย จริงเกณฑกล้าเป็นพระหัมมะพระมาหาแหกกระพัดไปรบใครก็ต้องชนะไม่ต้องรบประมองด้วยสายตาเขาก็ยอมแล้วนี่ให้เกฑงขนาดนี้ใครก็ตามเด้นได้ประสบตาหรือพระเจ้าทรงมองดูอยู่มันจะอ่อนไปทั้งตัวมันกลัวที น, นี้ท่านก็เลยว่าเอาอย่างนี้มาหาโบหิตจงมานั่งข้างหน้าแล้วให้ประชาชนทั้งหลายเขานั่งอยู่ข้างหลังพระสงฆ์กรไพ่ฟ้าอนาปชาราศเขามีบุญน้อยบารษาน้อยเขานั่งข้างว่าไหว ตังแต่เกิดมาพระเจ้าอสมไม่เคยนั่งสมาธิเลยเคยนั่งแต่หลังช้างเคยนั่งแต่หลังมา้ามีแต่คนหุ้มคนห่อแห่แหนแต่วันนี้ให้มานั่งสมาธิแต่วันนี้นั่งข้างหน้าด้วยตาสีตาสาใ ย, ายมาใ ย, ายมีนฉันรักยาฉันรักยาให้มานั่งอยู่ข้างหลังผู้คนเหล่านั้นก็มาเมื่อมาในพวกนั้นจะจะพริกก็ไม่กล่าพริก จะเดินไปเดินมาไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปหาเขี้ยวมาไปหาสุากดาเไปไปละกลั <c oughs> วพรเจอาสอ บ, บอก็บอกดูคนนั่งยุบจะพลิกกไม่กล้ารพริกตายเดี๋ยพระเจ้าสอบมองมาเห็นดี๋ยจะหมอกกรแตเขาอ่อนขาอ่อนสุดหว่วกไม่กล้ารพลิกนั่งเฉยเกิดขันติออกมาหรือบป่อนุโลมีขันติ คดีทุกการอนุโลมตามสถานการณ์แต่ทีด้านพระเจ้าสอบไม่กล้าพือนกันไปปวดขาจะตายปวดหลังกปเอาตายกลายมาบ่เคยเดิดังรุกดังรอนมาปนิยมเกลือแต่ในกมาจะไม่เคยทรมานธรรมกรรมถึงขนานี้เลยตาสีตาสาเหล่านี้ทําได้ทางนาบางสู้พานหน้าสู้ดินหลังคนหลังงอมันน่าจะพลิกก่อนละมันไม่พลิกเลย อาวไม่ไจ้ออกโสงอายประ ช, ชาชนประชาชนก็ชชนกูไม่ได้ออกโสงตื่นเลยทั้งคิดดั่อยู่ทั้งคื น, น, นไม่กล้าพิกไม่กล้าเดินไปเดินมาถ้าจะออกโสก็อายประชาชนน้อยเนี่ยเขาเลทุกุกอย่างยากหลังสู้ฟ้านหน้าสู้ดินหาอยู่หา ก, กินหลังคนหลังงองมันแทนที่จะปวดแข่งปวดขาปวดหลังปวดเองมากกว่าเอามันไม่พิกเลยเราจะโง้อตาทํางหมดคนใดเป็นคนเดียวเรา เราก็ต้องนั่งต่อไปกาบเคล่กับฟังจบแ้่แต่หัวคำ่ำไปถึงถึงสี่ทุมไม่ได้พิกปิดห้งยายามต้องใช้คันติคันติมีระดับนะครับฟังดี